พระธรรมเทศนาแผ่นที่61ดลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่26มีนาคม2557มีชื่อเรื่องว่าจุดสร้างเจดีหลวงตานั้นลงรอยกันก็เพียงพอโหน่ะ เฮาได้ยินเสียงเฮาละลำคานเขาบมวนเฉได้บบนี oh mm ้ม hmm. ันเออเออเอเองเขาวมวนมืเฮานยลำคานเวงสี่หล่คนเกิดมาในโลกมันจะบวชขึกันผู้หนึ่งมักกันหนึ่งผู้หนึ่งมักอันหนึ่งวไปแต่ให้มักคือกันมันบได้บดได้เียบางที่เฮาบมักงสี่แล้วเน่ยเฮาลำคานเฮาก็ต้องอดทนหมดเพราะเพบางคนเพิ่มมักนกไปส่วนมากเพิ่มมักวนออกไป น่สงสัยเขาได้ยินเ่ยหลวงพ่อว่าอะไรเศร้าเลยเมื่อหนึ่งหลวงพ่อไปบ้านปอไปนั่งอยู่ บ, บ้านปอปอเพศซัดบันผื้หนอวะไปทุระอะไรไปนั่งอยู่ที่นั้นทีนี้ก็เห็นเขาแห่บังกรใช่ไวล่ะแห่บังกรจึงเตะจึงเตะจึงวนออกไปผ่านบ้านหน้าปอไป ท่านกระโดดโลดเต้นลาไปมังกรเยมังกรตัวยาวเลยหลงพ่อก็เลยบอกโอ้ลูกหลานมันทำไมมันสนุกสนานอย่างนี้วะกันผู้เห็นกับล้ำคาญก็มีผู้ที่ชอบก็มีเสียปอเขาก็ตอบดีนะเขาบอกว่ามันก็ดีไปอย่างน่าท่านอาจารย์เหมือนกันถ้าหากว่า วันไหนนั่งไม่ได้ขายของเอออมกลิ้นอยู่เฉยเฉยนเกิเพลิดเพลิมันจะเป็นบ้าเป็นบอแล้วยังไมันเครียดเหมงอนันอันนี้พอเห็นอันนี้ว่าตึ้อจริงจงตืง้ตตตจอจรจงเขาจอคอแล้วก็คลายเครียดไปหน่อยหนึ่งเหมือนกันนะเนาะปอเขาว่าคลายเครียดนะอพอเห็น เ, เ, เห็นเออเขาแห่ซิ้งโตผ่านหน้าบ้านนะได้คลายเครียดเหมือนกัน หลวงพ่อนึกๆดูเออมีส่วนเหมือนกันว่าเพราะโลกของเขาอยู่ในระดับ อ, อ, อยู่ในระดับแสงสี เ, ออเสียงออมาผ่านมาก็เ อ, อ้อาใครใครเครียดไป อ, อ, อันนี้ก็เหมือนกันนะ่ะที่เขามีเสียงขึ้นมาเนี่ยเขเสียงร้องรำทำเพลง ก่อนที่จะประกาศอะไรออกไปเขาก็มีเพลงขึ้นมาก่อนเพื่อเป็นการกระตุนต้นเตือนพอเสร็จลงไปแล้วก็ประกาศอะไรนะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นฮะกำลังประกาศคงจะประกาศเกี่ยวกับเลือกสอวจะมัง่งสวกันวันที่เนี่ยวันที่30ที่จะถึงนะวันอาทิตย์วันนี้ก็เป็นวันที่ยีสิบ มีนาคมพุทธศักราช 2,557 วันนี้หลวงพ่อจะให้คณะสงฆ์วัดของเราไปร่วมประชุงหารือเกี่ยวกับสองเรื่องว้เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องปิดงบมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนของหลวงตาที่ครบที่ครบดิวแปลว่าปีหนึ่งเขาจะมีการปิดงบ ใช้จ่ายเท่าไรได้ ร, รับมาเท่าไร่มูลนิธินะแต่ก็วันนี้จะเป็นวันปิดงบแล้วก็จะมีการตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายจากจนั้นก็เสนอเข้าเป็นส่วนกลางเพราะมันขึ้นต่อกระทรวงมหาดไทยมูลนิธิเนี่ยเขาจะต้องตรวจสอบภาษสงภาษีอะไรของเขาเดียวปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งเดีวันนี้มูลนิธิของเราก็ จะได้ตรวจส่งเอกสารรับจ่ายส่งข้อไปส่วนกลางมีการไปชมูลนิธิวันนี้อันที่สองก็เรื่องเจดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตายังยังไม่ลงกันยังไม่ยังหาที่จุดลงยังไม่ได้ยังมีการความเห็นยังไม่ตรงกัน คนหนึ่งเห็นตรงหนึ่งคนหนึ่งเห็นตรงหนึ่งทางฝ่ายพระทางฝ่ายฆราวาสแต่สําหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อยืนยันมาตั้งแต่เริ่มแรกยืนยันคําเก่ามาเถี๋นี้ก็ยังยืนยันคําเก่าหลวงพ่อบอกว่าที่แรกเขาก็จะให้หลวงพ่อเป็นประธานในการดําเนินสร้างเจดีย์แต่หลวงพ่อดูๆแล้ว อ่านทะลุไปข้างหน้าแล้วคงจะยุ่งเพราะงานเจดียเป็นงานใหญ่แต่ขนาดงานขององค์หลวงตางานพระประธานเพลิงสรีระขององค์หลวงตาเพียงเดือนกว่าๆเท่านั้นผลที่สุดพอจะลงจบเกมกันหรือว่าพอสุดท้ายก็ยังได้รับรางวัลบัตรสนเทศตั้งหลายฉบับ เพียงเดือนกกว่าอันนี้เป็นหลายปีเยลยหลวงพ่อจะรับบัตรชนเทศกี่ฉบับปะ่ะอันนี้หลวงพ่ออ่านทะลุเลยพอลุกจิตลูกหาหลวงตานานาจิตต่งนางนานาทัศนะมีมากหลากหลายทุกระดับตั้งแต่ลากยาจนถึงยอดภูเขาหิมาลัยมันมีมีมากหลากหลาย เพราะนั้นถ้าเรา เ, ออเข้าไปในเป็นหมู่ให้ยกให้เป็นหัวหน้าก็คงเข้าไปในวังบนออไม่รู้ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นในช่วงนั้นผูออ้ที่จะพูดว่าหาเสาะหาผลประโยชน์บ้างหาลดหายอทาหาลาบด้วยหาอะไรต้องมีอะไรมันก็จะมีมากหลากหลายพอพูดไปแล้วก็ไม่รับผิดชอบในคำพูดเพียงแต่สักว่าได้พูด เ, ออเท่านั้นแต่การ ที่เรื่องจะเสียหายไม่เสียหายอย่างไรไม่ได้คิดนะมีมากนไม่ว่าทุกไม่ว่าวงการไหนทุกวงการจะเป็นลักษณะอย่างนั้นที่มองมองดูแต่รับผิดชอบในคำพูดของตัวเองอ่า น, นั่นก็ดีถึงจะดุด่าว่ากล่าวดูถูกเย็ดยามก็จะโผหน้าออกมาพูดเลยเป็นอย่างนี้อย่างี้เราก็จะได้ชี้แจงเหตุผลแต่ไม่เป็นอย่างนั้นที่บางคนมันมุดดิน ออแล้วกับพ่นอะไรอสุภะปฏิกูลออกมา เ, ออเหมือนกับลายภูเขาไฟมันพน่นลาวงุงลาว่าออกมาออแต่เราไม่เห็นว่ามันมันอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไห น, เ, ออนเราจะได้แก้ไขได้อันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นหลวงพ่ออ่านดูแล้วถ้าเราเข้าไปอยู่ในจุดนั้นก็คงจะเข้าไปอยู่ในวังบน อยู่ในเป้าหมายโลกธรรมอย่างชัดเจนแต่ถ้าว่ามีประโยชน์ไม้ถ้าทำได้เราก็มีประโยชน์แต่มันหนักหนาสาหัสสำหรับสำหรับเราเราก็ไม่มีปัญหาแต่ลูกน้องบริวารลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นหลิวล้อหดืศรัทธาญาติโยมของเราถ้าเห็นเขาดา่าครูบาอาจารย์ของตนเอง โดยมากมันก็รับไม่ได้เหมือนกันนะไม่ว่าท่านว่าเราอย่างเราก็เหมือนกันถ้าใครลาดาหลวงตาเนี่ย เ, เราก็ออกไปยืนแปลว่า ซ, ซดกันก่อนละ่ะแต่ถึงยังไงก็อย่างว่าอย่างพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันท่านเสด็จกรุงราชเกิด เขาปล่อยช้างนาลาคิริงออกมาน่พระ อ, อ น, นุลยังวิ่งออกไปข้างหน้าถึงยังไงให้เหยียบข้าก่อนนแต่พระพุทธองค์ท่านมีอิทธิฤทธิ์เนี่ยท่านก็ผักใกล้ๆว่านิลมิห้พระ อ, อนตลมาอยู่ทางด้านหลัง ย, ยา อ, อนตลนะแต่พระ อ, องค์ก็นั่นแหละออกไปข้างหน้านจากนั้นพอช้างวิ่งเข้ามาแล้วก็ช้างก็หมอบด้วยพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้า อันนี้เรามันไม่ถึงขนาดนั้นเลยสิถ้าว่าพวกที่มีเจตนาดีมีความหวังดีเป็นบุญกุศลในจิตใจพูดออกมากมันก็น่าฟังแต่บางคนมันอิจฉาอยู่ในจิตใจความไม่พอใจในใจแล้วเห็นคนอื่นทนะํเนี่ยมันอดไม่ได้ที่จะต้องดูถูก หรือว่าเหยียดหยามหรือว่ากันแกล้งหรืออะไรลักษณะอย่างนั้นมันโลกนั้นมันมีมากเพราะนั้นเราเองหลวงพ่อเองก็คิดแล้วคิดอีกบวกลบคูณหารไปรู้ว่ากี่ตลบเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อยังบอกว่าหลวงตาท่านก็มองมองดูเรามองหลวงมองดูหลวงพ่ออินแล้วท่านให้พินัยกรรมเรื่องจัดงานศรีระของท่าน มีสีองค์ขอพ่อสี่องค์กับท่านอาจารย์ฟักก็จากไปกระหลวงพ่อแล้วก็ท่านปัญญาก็จากไปหลวงพ่อวันชัยภูสังโคท่านก็ไม่สบายท่านก็ป่วยตั้งแต่ปรึกษาหรือว่ามาช่วยงานเพราะเห็นอะไรพระท่านก็ไม่สบายท่านป่วยสุขภาพท่านก็ย่ําแย่มีแต่หลวงพ่อกระโดดโลดเต้นออกไปอยู่ในพินัยกรรมแล้วก็พวกที่ ญาติยโยมก็มีแต่พูดสูงสูงอายุเท่านั้นมีแต่เป็นเรียกมาเป็นที่ปรึกษาเท่านั้นเองแต่ลุงพ่อเองประชุมแล้วประชุมอีกงานของลุงตาก็สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็พร้อมกันถึงจะเป็นอย่างนั้นก็เถอะก็เป็นที่ยอมรับของคู่คนเป็นส่วนมากแต่ก็ยังมีบัตรสนเทออกมาหลายฉบับอย่างที่ลุงพ่อได้บอกให้ให้ฟังโจมตีะ แบบพูดแบบไม่โผล่หน้าออกมานะผลที่สุดก็เนี่ยในเมื่องานซรลีระของหลวงตาผ่านไปแล้วนะขนาดพินัยกรรมยังคุ้มเป็นใครก็บอกหลวงพ่อมีเสื้อใหญ่เสื้อใหญ่คลุมตัวของนั้นเลยมีอํานาจมีเสื้อใหญ่คลุมตัวใครก็เห็นเนะี่ยคือพินัยกรรมหลวงตามอบให้ถึงขนาดนั้นก็ยัง ยังมีเรื่องเกิดขึ้นแต่นี้เรื่องพระเจดีนะลงตามไม่ได้อเออทำอินในเมื่อจัดงานสริละของเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว เ, ออเมื่อจะสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์อย่างที่พกท่านได้พูดได้ขอไปนั่ น, น่ะเรายินดีออให้ออท่านเป็นหัวหน้าออพาหมูพาเพื่อนทํานะ เ, ออเสร็จเป็นพินัยกรรมออกมา อันนั้นพอจะรับไหวอันนี้หลวงตาไม่ได้พูดอะไรท่านพูดแต่ให้ดูแลชรีลของท่านเองหลวงพ่อว่าน่าจะเพียงพอสำหรับพิพิธภัณฑ์นั้นน่าจะเพียงพอที่เราจัดงานจรีละของท่านส่วนพิพิธภัณฑ์นั้นหลวงพอ่อมอบให้กับคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนสิทธิานุสิต ท, ทุกหมู่เหล่าที่เป็นสิทธิานุสิตช่วยกันคิดช่วยกันทา ช่วยกันแก้ไขหาทางออกยังไงจะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาให้สําเร็จลุล่วงไปได้แต่หลวงพ่อเองให้การสนับสนุนไม่ได้ขัดไม่ได้ขวางกับผู้ใดใครผู้หนึ่งยินดีทําไมจะว่าไม่ยินดเนีเมื่อประกาศว่าจะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อก็บอกว่ากลุ่มของวัดป่านาคับน้อยของเราเนี่ยกลุ่มศิทธิอนุสิทธิขององค์หลวงตาที่หลวงพ่อเป็นหัวหน้าอยู่นี้ หลวงพ่อขอยืนยันเลยว่าจะช่วยจะหาทุนสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาห้าสิบล้านบาทนะขอยืนยัน50ล้านบาทเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาไอ้ข้าว่าอยากจะเห็นเจดีย์ของหลวงตาขึ้นมาโดยเร็วแล้วก็ราบรื่นเรียบร้อยบูชาพระคุณเป็นอามิชฌาบูชาเราปฏิบัติบูชามาแล้วแต่นี้ หลวงตามาสงเคราะห์วัดเราเท่าไหร่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้รับความสะดวกสบายแต่เมื่อหลวงตาจุตินิพพานไปแล้วพวกเราควรจะแสดงออกเ อ, อซึ่งอามิชบูชาอย่างเต็มที่ เ, ออเพื่อจะให้โลกทั้งโลกได้เห็นว่าเราไม่ได้ดูดายเราพร้อมที่เชิดชูบูชาองค์หลวงตานี่แหละอันนี้ก็คือการแสดงออกซึ่งน้ําใจของพวกเราที่จะ เห็นเจดีย <de> <dia> <de> ์พิพ de ิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องจะถูกปัจจัยมองๆดูแล้วไม่น่ามีปัญหาจะมีปัญหาตรงที่ความเห็นไม่ตรงกันว่าจะเอาตรงไหนกันอันนั้นก็ไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่ของหลวงพ่อจะแล้วแต่เนี่ยพอหลวงพ่อไม่ได้เข้าไปอยู่ในจุดนั้นเป็นหน้าที่ของใครใครเป็นคนต้องการอยากจะให้อยู่จุดนั้นอยู่จุดนี้หลวงพ่อก็เอาเถอะ ถ้าพวกท่านทั้งหลายเห็นพร้องต้องการน้องหนุ่งทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเห็นพร้องต้องการตรงไหนหลวงพ่ออินเนี่ยเห็นด้วยตรงนั้นด้วยความพร้อมเพียงสมัครีแต่หางว่าพวกท่านทั้งหลายยังมีการทะเลาะกันอยู่ยังไม่ลงรอยกันอยู่ก็ะให้พวกท่านทั้งหลายเป็นผู้เคลียร์กันเองไม่ใช่หลวงพ่ออินจะเข้าไปเคลีย พวกท่านทั้งหลายเคลียร์กันเองตกลงกันเองหลอมซ้อมกันเองพูดกันเองเจราจากันเองถ้าหากว่าเห็นพ้องตรงกันแล้วก็เอาเลยตรงไหนในเพื่อเอาตรงไหนหลวงพ่ออินก็ให้ตรงนั้นเห็นด้วยตรงนั้นแต่ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายพวกกลุ่มทั้งหลายยังยังไม่ลงรอยกันหลวงพ่อก็คอยฟังฮกอดอกฟังดูมองดูพวกท่านทั้งหลายจะเอากันยังไงในเมื่อ ยังไม่ตกลงกันหลวงพ่อจะกระโดดเข้าไปอีกแรงหนึ่งชี้ใช้ชี้ขวาชี้หน้าชี้หลังในวงการนั้นก็ไม่น่าจะถูกออพอเหตุรเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าสุดแท้แต่พี่น้องออจะเห็นพ้องต้องกันยังไงเอาเลยหลวงพ่อเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนในการก่อสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาถ้าหากว่ามองดูแล้วเอา ไม่ไปไม่มาหาผู้ที่จะดำเนินไปได้ก็ให้บอกมาออให้บอกมาตรงๆพร้อมๆกันหลวงพ่อมีวิธีการก็แล้วกันออพอหลวงพ่อเคยสร้างเจดีย์มาไม่รู้กีออ่หลายองค์เหมือนกันหลวงปู่ล่าหลวงพ่อเคยหลวงปู่โคกสาครหลวอองเจดีย์คุณแม่ชีแก้วก็รู้วิธีการ จะดำเนินการอย่างไรประสานอย่างไงติดต่ออย่างไรวิธีการที่จะทำประสานงานอย่างไรหลวงพ่อพอจะรู้เรื่องอยู่แต่ว่าถ้าหากว่าจะให้ทําไปเลยโดยพี่น้องยังไม่หลงเอ่ยกันมันทำไม่ได้ต้องให้พี่น้องทั้งหลายเป็นผู้ดูแลเป็นผู้จัดการหลวงพ่อจะเป็นผู้ตามดีตามนี่เราจะห้ ขัดแข้งขัดขาเราจะไม่ดูถูกเกียดตยามผู้ใดใครผู้หนึ่งทั้งหมดเราจะตามด้วยดุจเสนีตามตามหลังไปเรื่อยเรื่อยให้พวกท่านทั้งหลายเป็นผู้นำํำท่านใครก็ตามหลวงพ่อไม่ได้วาจะระดับไหนก็ตามเป็นผู้นําจินดีเป็นผู้นําหลวงพ่อก็เป็นผู้ตามเนี่ยอันนี้แหละคือเจดีพิปฏิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาหลวงพ่อไม่ได้สรุปแล้วก็คือ ยินดีตามเรเพื่อสร้างให้คนทั้งหลายได้กราบไหว้เคารพสักการบูชาแต่องค์หลวงตาเองท่ท่านเขาไม่เห็นด้วยที่จะสร้างเจดีย์ท่านพูดเล้วเร า, เาไปขอวันนั้นเขาพระเขาไปขอก็หลายองค์แต่ท่านก็บอกว่าถ้าว่าสร้างลักษณะเป็นหอธรรมหรือว่าพิพิธภัณฑ์อย่างนี้ท่านก็เห็นด้วย แต่ถ้งช่างเจดีย์นี่ยคนเข้ามาการาบปลกปลกแล้วก็ไปกาปราบปลกแล้วกับปราถนาในจิตในใจของแต่ละคนไม่ใช่ปราถนามรรคผลนิพพานพ้นทุกข์ในวัฏสงสารอันนั้นน้อยมากโดยมากปราถนาขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวยข้าพเจ้ามีลูกหลานที่ดีสามีที่ดีภรรยาที่ดีละชับสมบัติมียศถาบรรดาศักดิ์ มันมีแต่ปรารถนาอยู่ในวัฏสงสารมีแต่เรื่องกิเลสไม่ได้ใช่ปรารถนาพ้นทุกหนีจากวัฏสงสารโดยมากน้อยมากที่จะปรารถนาอย่างนั้นโดยมากก็มากราบแล้วปรารถนาเรื่องกิเลสทั้งนั้นกันว่าว่าพอเรามองไม่เห็นประโยชน์ในจุดนี้มากถ้าหากว่าเราสร้างพิพิธภัณฑ์ผลงานของเราที่เราทําผลงาน ฝากไว้กับโลกเอาผลงานของเรามาแสดงเอามาเผยแผ่เอามาบอกกล่าวผู้ที่มีจิตใจอุ ป, อปนิสัยมักผลนิพพานยังมีอยู่ที่ได้อ่านหนังสือแนวปฏิบัติแนวทางที่พ้นทุกข์ที่หลวงตาพาดำเนินที่ท่านพ้นทุกข์ในวัฏสงสารไปแล้วนะผู้อ่านได้ศึกษาแล้วก็จะได้เป็นแนวทางในทางด้านจิตใจ เรามองเห็นพิพิธภัณฑ์ทําจะดีกว่ า, าที่จะสร้างเจดีย์อันนี้ก็คือหลวงตาท่านพูดแต่ถ้ามาถึงพวกเราถึงหลวงพ่อก็บอกว่าใช่คําว่าเจดีย์คำนี้นะคำว่าเจดีย์เนี่ยเจดีย์ในสมควรแก่ถูพระหักบุคคลสีจ่จำพวกพระพุทธเจ้าพระประเจิพุทธเจ้าพระหันตสาวกพระเจ้จาจักรพรรดิแต่องค์หลวงตานี่เป็นพระหันท่านจะบอกเออสร้างเจดีย์ให้เรานะ ก็เหมือนท่านว่าเราเนี่เป็นท่านก็พูดแล้วล่ะท่านเป็นพระาราหันแต่ไม่จําเป็นสร้างพิพิธภัณฑ์เลยจันทนจุดนั้นสําคัญกว่าแต่เราในฐานะศิษยานุศิษย์ทางหลายเนี่ยเรามั่นใจนี่คือองค์ตาของหล่นเป็นพระาราหันสมควรยิ่งที่ควรจะสร้างพัเดเจดีย์เพื่อเป็นที่รองรับพระธาตุของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างองหลวงตา เพื่อเป็นที่กราบไหว้เคารพสักการะบูชาไม่ใช่แต่มนุษย์เทวดาทั้งหลายอีกต่างหากเพราะกระดูกของท่านอธิษาานของท่านเป็นกระดูกของพระอรหันต์อันนี้ซึ่งจะทำเล็กทาใหญ่ก็ควรจะสร้างเป็นที่น้อมลาลึกถึงพระคุณของท่านเพรา ะ, ะนั้นเจดีย์สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีเจดีย์เพื่อบูชาพระคุณแต่พิพิธภัณฑ์นั้นคืออันส่วนหนึ่ง หลวงพ่อเคยพูดมาดูกี่ครั้งอ่านฟังเทปดูก็ได้เจดีสำหรับเป็นที่น้อมลํำลึกถึงพระคุณขององค์หลวงตาทำจิตใจให้สงบให้จิตใจให้เน่ ง, นงให้ลํำลึกถึงพระคุณส่วนพิพิธภัณฑ์นั้นเป็นสถานที่ศึกษาประเทืองปัญญาและก็ศึกษาหาทางพ้นทุกแนวปฏิบัติของท่านหลวงตาพาดาเนินมาอย่างไรหลวงตาจึงมีชื่อเสียงโด่งดังมีคนรู้จัก มากถึงขนาดนี้หลวงตาทํำยังไงเราก็ต้องอ่านประวัติของหลวงตาแต่เมื่ออ่านประวัติของหลวงตาแล้วก็เกิดความเคารพเลื่อมใสนับถือโอ้โหหลวงตานี่เก่งเป็นอัจิริยะบุคคลถึงขนาดนี้เชลียวเลอเมื่ออ่านประวัติท่านแล้วก็มากราบพิพิธภัณฑ์อ่เด้วยความซึง้งด้วยความถึงใจด้วยความเคารพคารวะอย่างสุดซึง้งอันนี้ก็คือกราบพระเจดีย์แต่ถ้าว่าเรา ในพิพิธภัณฑ์คนหนึ่งก็กราบคนหนึ่งก็อ่านคนหนึ่งก็กราบผ่านหัวผ่านอะไรกันไปอยู่คงจะมีแหละคนกราบแต่ถึงยังไงก็ตามจุดนั้นเป็นจุดที่บางคนก็ไม่นับถือไม่เลื่อมใสเพราะยังไม่ได้รู้ประวัติเนี่ยก็เพิ่งมาถึงนะจะไปเคารพนับถือเลื่อมใสได้ยังไงไม่ใช่ว่าเขาพูดยังไงก็เชื่อไปตามบางคนก็มาดูซิเป็นยังไงแต่พออ่านอู่ชาย อันนี้เป็นของจริงว่ะที่หลวงตาท่านพูดเนี่ยจากนั้นก็สยบในใจแล้วพอขึ้นมากราบอัติธาตุของท่านพระาธาตุของท่านรูปเหมือนของท่านที่ตั้งอยู่ในเจดีเราก็คนคนนั้นก็จะได้ซึ้งในจิตใจถึงใจกราบลำลึกถึงพระคุณขององค์หลวงตาที่ช่วยเหลือประเทศชาติที่บางคนก็ติดในวัตถุ กหลวงตาช่วยชาติประเทศชาติโอ้โหอันนี้ก็ซึ้งในระดับหนึ่งสรุปแล้วก็คือประวัติขององค์หลวงตาเนี่ยานเราวิเคราะห์ดูแล้วไม่มีองค์ไหนที่จะมีประวัติงดงามเหนือไปกว่าหลวงตาในยุคปัจจุบันพูดอย่างนั้นได้พวกเราในฐานะสิทธิานุสิต ท, ทั้งหลายภาคภูมิใจยอย่างมากในปฏิปทาหรือแนวหลวงตาพาดาเนินดตรง แนวปฏิปทาของหลวงตาที่ท่านพาดำเนินผ่านมาทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อโลกต่อองค์ท่านต่อวงการพระพุทธศาสนาพระธรรมเทศนาของท่านมากมายมหาศาลที่เป็นแนวทางสำหรับพวกเราจะได้เดินตามเพราะนั้นเมื่อเราสร้างขึ้นมาจะเป็นเจดีก็ตามจะเป็นพิพิธภัณฑ์ก็ตามล้วนแล้วจะเป็นคุณูปการต่อโลกต่อประเทศชาติ ต่อพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นเรื่องการสร้างเจดีย์หลวงพ่อจึงกล้าทุ่มเททั้งที่จนแสนจนเราไม่เคยสร้างที่ไหนถึงขนาดนั้นแต่เราเสียสละทุ่มทุกอย่าง50ล้านบาทเพื่อเชิดชูบูชาพระธรรมคำสอนขององค์ลงตาให้อยู่กับโลกนานโลกนานเท่านาน พวกการศึกษาของอนุชนรุ่นหลังต่อไปนี่แหละอันนี้ก็คือแนวความคิดของหลวงพ่อหลวงพ่ออ่านหลายตลบในแนวทางของที่จะสร้างจะดีหรือจะสร้างพิพิธภัณฑ์และการดาเนินแต่ตอนนี้ยังติดขัดในพี่น้องบางกลุ่มบางหมู่บางคณะเอาตรงไหนเอาอย่างไรแต่ตามไม่จริงมันเรื่องจิ๊บจ่อยมาก ในเรื่องเหล่านี้แต่สําหรับหลวงพ่อเองสร้างที่ไหนเป็นมงคลมดออที่วัดป่าบ้านตาัดเพราะว่าวัดป่าบ้านตาัดเป็นที่ดินของใครหลวงตามาสร้างด้วยองค์ของท่านเองเออมาแต่งเปตีสองพั่งเก้าสิบทกอนุของพื้นที่เป็นสมบัติของหลวงตาเพราะนั้นเราจะไปคิดอะไรมากมายนักหนาตรงไหนที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดสดงดงามที่สุดตรงไหนตรงนั้นแหละเป็นเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาให้ตั้งงานขึ้นมาอยู่ได้เป็นเป็นร้อยร้อยพันพันปีเป็นพัน 1, 000, ปีเจดีย์นี่เพราะาการสร้างเจดีย์นี่ทางมหาวิทยาลัยศิลปากร อ, อาจารย์ของเขาเขาก็คิด เ, เพราะว่าหนึ่งหนึ่งไม่มีสองในประเทศไทยไม่มี ที่เขาคิดเนี่ยที่จะสร้างเจดีย์เนี่ยถึงจะเล็กก็จะ ก, ก็จริงแต่เล็กเล็กที่มีคุณค่าเล็กที่หาดูไม่ได้ในประเทศไทยเขาพูดอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะดูที่ว่าการสร้างดุลยเดือนวัตถุเนี่ยก็ว่าผู้ที่จะมาสร้างที่เป็นประธานก็ใหญ่ถึงจะไม่ใช่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบ ร, รมราชินีก็ท่านก็มอบให้ลูกของท่าน อ่อพอพเป็นลูกของท่านกับเป็นลูกขององค์หลวงตาอีกต่างหากเป็นลูกบุญลูกบุญธรรมของหลวงตาอีกที่ว่าฟ้าหญิงนั่นท่านเป็นลูกบุ ญ, บญธรรมของหลวงตาหลวงตาก็รับว่าเป็นลูกบุญธรรม ข, ของท่านฟ้าหญิงก็ยอมรับว่าท่านเป็นลูกบุญธรรมขององค์หลวงตาเพราะท่านจะหาได้ที่ไหนถ้ายกให้เป็นลูกของท่านพ่อกับลูกของท่านจะสร้างที่ตรงไหนอย่างไรพวกเราสิทธิอนุสิทธิทั้งหลายก็น่าจะ น้อมรับได้จากท่านท่านก็ให้สั่งให้ลูกสาวของท่านอีกจบมาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้เอาคณาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เก่งที่สุดมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีศรัทธาในมหาวิทยาลัยมาร่วมใครจะปฏิเสธได้เพราะว่าท่านเป็นขนาดนั้นใครๆก็น้อมรับ ก้มหัวรับเข้าไปรับทั้งหมดในเมื่อรับแล้วก็ออกแบบเป็นลูกประทามขึ้นมาก็พร้อมที่จะเดินดาเนินการได้อก็มอบทั้งหน้าจะมอบไปพระองค์ท่านตรงไหนอย่างไงมันมีปัญหาตรงนี้นะอท่านไอ้ทุนกระมอมมันน้าท่วมเออหม้อท่วมเดี๋ยวออกแบบมาให้น้ําท่วมไอ้น้ำมันผ่านมาตรงนี้นะไอ้ทุนกระมอมเออเอาอทําถนนหรือทําอะไรกัน ลวนแล้วจะทำได้ทั้งหมดเ อ, อ่อทำไมจะทำไม่ได้จะไม่ให้น้ำไหลเข้ามาทางวัดป่าบ้านตาเลยก็ยังได้ให้น้ำไหลไปทางอื่นก็ยังได้เพราะเหตุไรเพราะว่าท่านกับครมชนชนประธานพูดได้ทั้งนั้นแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ก็ไม่ให้เสียหายทำคุณประโยชน์น้ำหไหลมาเพียงพอเหมาะทำไร่ทำนาไม่ให้ลาก ท่วมเขาเลยก็ได้สิ่งเหล่านี้มันทำได้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ถึงยังไงก็ให้พวกเรายอมรับแนวความคิดของลูกสาวขององค์หลวงตาท่านนั่นลุงพ่อว่าอันนี้มันยากตรงที่ว่าตัวเองอยากจะไปสร้างตรงหนึ่งทั้งพระ อ, องค์ท่านก็ต้องการองค์ท่านก็จะเอาตรงที่พระราชทานเพิงสถิยละ พวกเราก็ต้องการที่หนึ่งแต่ก็อยากจะให้ท่านมาเป็นประธานให้ตัวเองท่านขบที่เซตในจดหมายที่เราได้อ่านอ่านดูนะแต่เราก็ได้ฟังอยู่เบื้องนอกเหมือนกันเหมือนเราอยู่นี่นะเราก็มือกอดอกดูเหตุการณ์ในเอกสารเท่านั้นเองเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะอันนี้ก็เราก็พูดอ เพื่อให้พวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่เนี่ยได้ฟังได้ศึกษามันเป็นมาอย่างไงหลวงพอมันจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้หลวงพ่อพูดได้แต่เพียงเท่านี้แหละนะแค่าความเห็นตรงนี้แหละถ้าว่าหลงเอ่ยกันสักยอมสักมอบให้ท่านสะเพราะท่านเป็นลูกสาวหลงตาเนะ่ยเพียงแค่นะั้นแล้วก็จบแต่หลวงพอนะ่อเนี่ยหลวงพ่อเห็นด้วยไหมหลวงพ่อเห็นด้วยทุกแข่งอย่างที่ระว่านะ ไอ้ตรงที่พระสงฆ์พูดทุกวันเนี่ยหลวงพ่อคิดก่อนแล้วหลวงพ่อเป็นคนคิดก่อนจนหลวงตามีหนังสือห้ามออกมาเด็ดขาดหลวงพ่อก็สะดุ้งโหยงเหมือนกันไอตรงนั้นแต่จะกลับไปที่เก่าก็ได้ถ้ามันลงรอยกันไม่ว่าที่ไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ข้อสำคัญให้ลงรอยกันหลวงพ่อไม่ได้วาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเนี่ยยืนต้องการเหตุความต้องการเห็น ความพร้อมเพียงสมรคีของสิทธิานุสิ์ทุกระดับนี่ตอนนั้นก็เพียงพอแล้วนะอืมเอารับพรนนะเีนี้นะลูกหลานนะ